บางอย่างกําหนดลูด้วยการลู่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เห็นลู่เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนลู่แล้วลู่แล้วว่าอย่างไรเรียกว่ากําหนดลูด้วยการลู่แล้วลู่ก็เฉลยแล้วไปได้แล้วตีลักษณะปริญญาปริญญากําหนดลูด้วยการละโดการแกะแก่งแกะออกไม่ให้เป็นขีนเป็นส่วน เห็นโูกเห็นนามแก่กออกเห็นกองโูกอย่างไรเป็นกองนามอย่างไรกองเวทนาอย่างไรกองสัญญากองสังขารกองวิญญาณอย่างไรเอาไปวางไว้ที่ตรงนั้นโูกก็วางไว้ตรงโูกอย่าให้เกินนั่นไปเวทนาก็วางไว้แค่เวทนาอย่าเอามาเป็นสุขเป็นทุกข์อย่ามาเป็นความชอบไม่ชอบถ้าเนีนมันไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ญญาณไม่ใช่ปริญญา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 แกะกอกแกงออ ก, ก, ออกจนไม่มีอะไรปริญญาณที่สามเลยว่ า, ป ร, าปริญญาไปปิญญาด้วยการละเสียละแล้วทาให้สิ้นไปแล้วทําให้หมดไปแล้วทําให้หายไปแล้วหายแม้กรทั่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่มไงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นดุนดวแรงทำความโกรธให้หายทำความลหามลงให้หาย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 ขีม่ม้ายิงปืนยิงธนูวันดาบอะไรต่างๆตามพระ ส, สูตรตามตำราว่าเอาไว้แต่ว่าก็ได้ยินแต่ว่าไปทดลองขีม่ม้ากับเจ้าชายทั้งหลายไปรับรองเอาไปทดลองยิงธนูไปทดลองฟันดาบตัดต้นไม้เท่าลําตัวขาดจนต้นไม้ไม่ล้ม แต่ว่าทัตตัดต้นไม้เท่าลำตัวต้วนไม้ล่มทึกทีเดียวแต่ว่าโซ่สิทธิธรรไม่ได้ต้นไม้มันขาดแล้วแต่มันยังไม่ล่มเพราะความเร็วความคล่อ <c> ง <oughs> จนไม่สะดุดนะอ่านเ <c oughs> วลาเทวทัตก็ตัดลงไปล่ม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 เราก็ไปอยู่ตรงงูจงอางได้ไม่มีงูวันเดิมแล้วทำได้แล้วหมดไปแล้วปลอดภัยแล้วนะสมุทยัยทุกสมุทยัยนักนักคือวิธีที่จะให้ทุกท่านหมดไปได้ทำอยู่ได้ประเมินไปแล้วโล่ทำเสร็จแล้วในโลกทําให้แจ้งแล้วแจ้งแล้วไม่มีตรงไหนปิดบังอำพางในคดีเปเรา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 ยาหาอยู่ขายามาปราบมันอยู่ก็ศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆอีกหน่อก็คงพบได้ในวิทยาศาสตร์ข้นไปเรื่อยๆโลกมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็โลกค่ไข้เก็บก็บมีไปเรื่อยๆมันก็สร้างไปเรื่อยๆแมลงต่างๆที่เขาเอาอยามาปราบศัตรูมันก็ยงัยงโลกยังซ่อนอยู่ได้จนมันไลยแรงขึ้นไปเรื่อยๆ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 ตัวนี้ไร่อ้อยก็มีหนอนอ้อยเพราะไฟไม่ป่าต่อแตนตายหมดหนอนอ้อยเนี่ยต่อแตนเป็นผู้ปราบตัวนี้แตนต่อไม่ไมีไฟไหม้มันตายหมดพึ่งก็ไปฆ่าไปตีมนะันตายกำหนดผลลัพธ์ไม่มีไรเหง้าห้อยก็ไม่มีมแมลงต่างๆก็ม่มี <c oughs> นี่เล้ว่าวิทยาศาสตร์คิดไปทาำไปแต่ว่าธรรมชาตินี่ถ้าเข้าสู่ธรรมชาติเนี่ย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 คือความรู้สึกตัวคิดไปไหนๆก็คือความรู้สึกตัวปานนั้นนะความรู้สึกตัวนะี่มันเป็นจ ร, รจริงๆแล้วเป็นสากลจริงๆความรู้สึกตัวนี่เนี่ยขนาดนี้เราจะยังพลาดเราจะยังเฉยเมยได้อย่างไรยังไปคว่าของปลอมๆอยู่ได้อย่างไรลางคนไปคว่าเอาของเอาความรักเอาความยินดีเอาความยินไล่เรียกร่องให้คนอื่นรักเลียกร่อง ปารธนาไปโน้นจ้ะไปเอาสมรถไปเบัญญัติซึ่งไปเอาคนอื่นมาเป็นหัวใจไปเอาสิ่งอื่นมาเป็นหัวใจจนเกิดโลรอหัวใจหัวใจแตกเลยใช่ไหมเขาว่าอะไรจะมันโลคอกหักเสียใจไปจ้ะเรื่องไม่ต้องไปหัยใจอกหักอะไรเราโล่แล้วเราโู่แล้วโู่แล้วทํานายได้เลยอ่า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 ตอนนั่นรัฐบาลไปเป็นทบบาดหน้าบ้านนึกว่าจะเห็นพ่อเห็นแม่นืกอว่าพ่อแม่จะได้มาใส่บาดรัฐบาลก็อุ้มบาดเดินไปหน้าบ้านเป็นโลกเศรษฐีนายเศรษฐีต้องให้เห็นพ่อแม่พ่อแม่อยู่ในบ้านก็เห็นสาวคนใช้ถือภ า, าชนะขนม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 หายแล้วไม่ได้ไม่ได้กินหรือกินอ็เลยไปในมลมาบ้านโกรธเพราะโชัยกินขนมบูดอออะไรก็ไม่อไม่หยาบทาไมไปกินขนมบูดบดก็ในมนลรัฐบาลมาบ้านมาบ้านก็ไม่ทำอะไรขนเงินขนทองมากองไว้กองของโพ่อกองของแม่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 กำหนดลู่การละแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเราเนี่อย่างถูกต้องเป็นปัญญารอบรู้ในกองสังขารชีวิตเรามันก็ออิสละภาพนะเกิดมาวันหนึ่งนาทีหนึ่งเท่าไรก็เป็นอิสละภาพปลอดภัยไม่ไม่ภพรเนี่ยวิชาภาวนาวิชาภาวนาที่เราศึกษาอยู่นี่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 จะเป็นสันติภาพจะเป็นแผ่นดินราบหน้ากองใสต้นกระพึกเกิดขึ้นทุกสีม่มุมเมืองไม่มีใครไม่มีใครเบียดเบียนใครไม่มีใครที่จะไปอิจฉาไปรําหน้าที่ของใครของเรามีปัญญาสามีรักเดียวใจเดียวทาหน้าที่ช่วยเหลือกันไปเนี่ยพี่รู้สองห้องรู้หนึ่ง <c oughs> ก, <c oughs> ก็ก็ทเงียมันน่ในโลกไหนๆก็งีอย่างนี้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 มันก็เราติดปุ๋ยถ้าไม่สุกไม่ให้มันไปไม่ให้มันมันก็หายได้หายไปตามลมหายใจหายไปทางเหงื่อหายไปทางหนักทางเบาคองกลัวก็อางนั้นให้มันออกไปทางหายใจเข้าหายใจออกจริงๆรินะหายใจเข้าหายใจออกบางทีมันรักษาอาภาษได้อะนั่งดีๆเนี่ยหายใจเข้าลึกๆเติมควารู้สึกเข้าไป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 ตัวระวังสํงรวมมาเหตุุลสวจาดีุษ ส, าาษส ก, กายเนีย่ยปกเสกลงไปเนียกว่าสํงรวมลู่เสกเอาไว้ลู่เสกเอาไว้เสกลงไปถ้าจะบอกก็อย่างพระท่านบางสกุลอานิจจาบรสังขารามันโกรธเราเลอแ่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 รู้สึตัวรู้สึกตั ว, ตวมาช่วยกันมาช่วยกันมาแบ่งกันมาทําความดีมาคิดดีมาพูดดีเนี่ยอันนี้นพิสูจนเอาความรู้สึกตัวใช้ได้จริงๆรไหมเอาไปใช้ดูแล้วก่อนที่จะราจะมีความรู้สึกตัวเราต้องสร้างนะต้องสร้างให้พร้อมเมื่อเรามีเงินแล้วก็ใช้เงินเรามีความรู้สึกตัวแล้วก็ใช้ความรู้สึกตัวของเรา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 โยคะเมย์อะไรโยคะเมยัตถะอัหนึ่งตังภูมิลำ ม, มนยากันพระอริยเจ้าอยู่ที่ร่มก็ตามอยู่ที่ดอนก็ตามอยู่ที่บ้านก็ตามอยู่ที่ป่าก็ตามที่ใดๆก็เป็นที่ลื่นลงเนี่เป็นที่ลื่นหลบไม่มีไัยเรียกว่าอริยะคือชีวิตที่ไม่มีภยัยเนี่ย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 มานั่งอยู่สองเข็มเนก็ไม่ไปเดี๋ยวก็พ่อเราพ่อไนั่งอยู่ น, นัน่นนะไปนั่งแทนนี่นั่นเดี๋ยวก็ยกเงในเสียก็ขอเงินกับภรรยาของตัวเองเอานันมาถวายหลวงพว่อเอามาถวายหลวงพ่อหลางพ่อก็เอาเวียนขึ้นไปให้ให้ภรรยาเขาเว е ลาเขาไม่เห็ น, นามาหลวงพเอานะเอามาถวายหลวงพ่อก็ส่งเคนให้ภรรยาเขาเอ็นเอาไปขอเมันภรรยาเอามาถวายหลวงพ่อ เรยนเปอยู่นั้นโอ้ยจาหล อ, อได้ได้เงินหลายบาทนะเรเรียนจะ เ, เป็นม่ค น, นเขาแต่ ว, ว่ามีเป็นบาท เ, <c oughs> เรามีความรู้สึกตัวเราพอจะว่าเพาื่นอนน่ะเครียดเลยเอายงงยงงเอายงงา่างไรสอนอย่างไรเอาอ่างไบางทีก็มากราบขามาจับของเขอามัมบปใสเออย่างไรก็ทำอ่างไรถ้เราไม่มีหลักชีวิตของเรามั่นคง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 ไปเป็นว่า ไ, ไปก็ไม่เพราะนั้นนี <c> ่ <oughs> จําเป็นมากมากจมาเรียนหลักของชีวิตให้มันลู่ลู่ชีวิตอย่างเดียวลู่ชีวิตอันอื่นหมดเลยไม่ว่าแต่ชีวิตของคนห่ะในโลกในลู่หมดลู่อันเดียวกันต้นไม้พวกเขาเมื่อเราเรียนโู้ล่วงสมัย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 เด่ากันถึงสี่ชั่วโมงไหมไหมไม่มนเหยมือกันนะนด่ากันเลยกราางนเนยมันด่ามันพลังงานมันใช่มากนะกลางดูก็ลยไอ้ด่ากันช็อตช็หนยไปไมมหลอดด่าก็หยุดเะหยดเลยเลยพามาไม่ว่าอะไรล่ะไม่ว่าอะรรเาเดินผ่านไปพระเาก็มอีกพระเจ้าก็มาอีกพาม้วก็ได้ นาไปดามาก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้โกรธไอพรามตอนนั้นก็เปิดกู้ดามึงเห่อมึงทำไมไม่โกรธนามึงเลยถ้าดามึงก็ไม่โกรธก็ <c oughs> มันยังไรนี่นี่พามถ้าแขกมาบ้านอ่าพรามจะทำยังไงต้อนรับเขาทำอาหารการกินให้เขากินถ้าแขกเขาไม่กินอาหารที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 พยาก็ทางานหนัก <c oughs> ทาได้ตอนนี้ก็เหนื่อยนอนบนก็ทอ้อไรไปดาา่าใช่ไหมพอออกวางก็ปไปทำกําแดดกําร้อนาามาตอนี้ยังนอนอยู่เซ่ตอนนี้ก็ทำงานหนักก็มอกตบาบอดคนอื่นนะคนทำงานหนักมอกตบาบอดคนอื่นนะใช่ไหมเราะงานหนักมอกตาบอดคนอื่นใจกอไม่คดีนะธรรมดาชามีตอนนี้ก็ฟัง โอ้ยจะด่ากันทอขันดาดเลยผูเครียดผู้โนเสียใจทีหลังน่เคียดผู้โนผู้ทกินทาอยากปากามเครียดก็ดีดอกเครียดเราก็ที่ว่าลดประเด็นและผู้สามีตายไปคิดถึงคำพูดคำนี้ทีเลยคิดทุกข์อยู่ตลอดเวลาเสียใจพราะสามีไม่ตกถ้ราราาเขาน่นถ้าเขาไม่โกรธลองดูนะคุณศาตร์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 ถ้าเขาไม่ตอบเ่านี่พถ้าหลายวันไปจะเสียใจด่าสามีสามีไม่ว่าอะไรถ้าสามีดา่าปัญญาปัญญายิ่งตายไปยิ่งคิดห่วงกันคิดถึงคนนี้ไปกอดถึงเผาศพหมดสามีเผาศพข้างบ้านลูกกอไผ่ใส่วันหนึ่งวันหนึ่งเขาจะไปดูแลกอไผ่ที่เขาปลูกในหลุมผงศพกอไผ่หนึ่ง เตือนซะเลยเขาคิดคำคิดถึงคําพูดของนี้นะคิดถึงคําพูดที่สัอพัญญาเขาด่าแล้วเขาไม่โกรธเนี่ยตองพรางตัว น, นี้ก็เหมือนกันด่าพระเจ้าพระเจ้าไม่โกรก็เกิดศรัทธาหรือเปลเกิดศรัทธาตายเป็นความรักเป็นความเค ก, ก่อนเพราะคําด่าแท่แทําให้เกิดศรัทธาทําให้เกิด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 สมมตัมรุตตระภะภะตะััตัิววะกตะระะมสะสัิุปิปโนปะวะสะวะสัสัมะ